และถวายพระพรชายโมงคลเนื่องในโอกา ส, สเสด็จพระราช halt จะดำเนินเลียกพระนครโดยขบวนภรさい들이แตราทางโชลมากในพระราชชาพิธีบ ร, รมาราชาพิเศคเบื้องปล่ายวันที่12ทันวาคมสกนี้พระราชชาพิธีบ ร, รมาราชาพิเศคภุทธศ叫ราชทั้ง1562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชชาพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรี FM 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์จะมีสักกี่คนที่ได้ส่งต่อความสุขในวันสำคัญวันเกิดคุณปีนี้แบ่งปันของขวัญสักชิ้นผ่านการร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องน้องนักศึกษาผ่านโครงการกระป๋องเงินออนไลน์กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี บริจาคผ่านเลขที่บัญชีสี่ห้าสามขีดหนึ่งขีดสี่ศูนย์สองแปดห้าขีดสามธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญาบุรีกองทุนสารขวัญสร้างอนาคตได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสองเท่าของจำนวนเงินบริจาคสอบถามข้อมูลโทรศูนย์สองห้าสี่เก้าสามหกเจ็ดสอง MUTT Farm Shop ยินย่มดีดต้องรั บ, รบค่ะที่นี่เราวันจำหน่ายผลผลิตทางการเกศตรผลิตภัณฑ์แปรรูปสดสะอาดและปลอดภัยใส่กรอกไร้ายแป้งไร้ายสารกันบูดเนื้อหูอ่ะพรีเมียมว้าวผักสดผักสลัดไขยเหตุน้องสดจากฟาร์ผลิตภัณฑ์เบอรี่และอื่นอื่นอีกมากมาย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 สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการไมค์คอมพิวเตอร์ค่ะดลิสาตรักุลเนกพร้อมด้วยคุณปิยพงษ์เคนถวายค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับไมค์คอมพิวเตอร์นะครับกลับมาเจอกันกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทีเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมองคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะฮ ะ, ะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะค่ะปลายเดือนต้นเดือน <laughs> อวันนะ ปลายเดือนจะเข้าเดือนสุดท้ายของปีแล้วเดือนสุดท้ายของปีกันแล้วนะฮะปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองหรือปีสองพันสิบเก้านะฮะอ่ะมีหลักลัยหลายหลายอย่างวงการไอทีวงการเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายก็สร้างความสะพรึงพอสมควรนะฮะเขาก็จะมีกูรูทั้งหลายค่ะออกเขาเรียกว่าแนวความคิดเนาะที่บอกว่าในปี2020จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือว่าจะมีอะไรที่แบบว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคแบบนี้รวมไปถึงสื่อต่างๆด้วยใช่คือการปรับตัวเนี่ยหลายๆอย่างเองมันก็กคือมันก็จะเป็นแบบ ทับหน้าที่พร้อมไปได้ก็ไปนะฮะก็จะไปแต่ก็ไม่ได้เยอะอก็กลุ่มที่อ่ากลุ่มผู้ตามนะฮะกลุ่มผู้ตามที่แบบอ่าพอสามารถที่จะ ขับเคลื่อกนหรือวิ่งตาวิ่งไปได้เนี่ยตามกระบวนการสิ่งที่มันเกิดเปลี่ยนแปลงเองก็จะมีกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆห น, อยหนึ่งแล้วก็กลุ่มผู้ที่อยู่ท้ายๆเองอก็ยังมีอยู่บอกก็เล่าถึงเรื่องของเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตเองคุณผู้ฟังนะฮะเราบอกว่าโอ้โหตอนนี้มีความเร็วโอ้กี่เมกะเป็นนู้นนี่ร้อยอะไรกันมา <c oughs> ผมยังใช้ ADSL อยู่คุณผู้ฟังหนึ่งเล็กถ้วนนะ ADSL <c oughs> โอ้โหนะฮะก็บอกว่ายังเกิดขึ้นกันอยู่นะฮะคุณผู้ฟังว่าโอ้โหถ้าบอกว่าอินเทอร์เน็ตบ้านยังช้าขนาดนี้แล้ว มือถือของเราแล่ะมือถือของเราก็ยังมีทางเท่าไหร่นะความเร็ว 52, ค่ะห้าสิบสองใช่ไหมอืมอ่าไม่เคยปิดเปอร์เซ็ตห้าห้าเออใช่ใช่ค่ะแบ บ, แบบชา้าแบบช้าแบบอืมหมุนไม่ขึ้นห<ะ>มุนอยู่นั่นนะบัฟเฟอร์ลิงอยู่นั่นนะ่ะคื อ, อคือความหมายคืออ่าก็จะเป็นแบบความเร็วปรับระดับความเร็วคือคืออาจจะ Unlimited ให้แต่ปรับลงเมื่อใช้ครบอ่าเมื่อใช้ครบไงแต่ครบเนี่ยคือขนาดไหนไงจะเป็นห้าสิบสองไหมร้อย กว่าไหมอะไรเงี้ยหรือก็ว่ากันก็มีออกมาสู้กันนั่นแหละว่าแบบฉันฉันให้เยอะกว่าเธอยังไงก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกเล่ากันไปในช่วงของปลายปีแบบนี้ปลายปีแบบนี้นะฮะตีหน้าป้าใหม่จะมีอะไรเกิดขึ้นต้องปรับตัวตามเขาโอ้โหฉันตามแค่ฉันตามไม่ทันแล้วเนี่ยฉันตามไม่ทันจนแบบโอ้โหเดี๋ยวนะไอโฟนมีภาพหลุดออกมาแล้วค่ะไอโฟนสิบสองเอ๊ะแล้วคนที่ซื้อสิบเอ็ดไปยังไม่ได้ใช้มือยังผ่อนกันไม่เสร็จเลยบอกไปก็บอกว่าคุณไปคุณตกลุ้นแล้วอะไรเงี้ยตกลุ้น ว่าเออจริงใช้อยู่นะฮะอ้าวก็เอาตามความพร้อมความถนัดแล้วก็ความชื่นชอบและการคือเอาจังจริงตามไม่ท้าหลอกเราแค่รับทราบรับรู้เฉยๆว่าอ้าออกรุ่นใหม่คือเมื่อวันนั้นมีโอกาสเดินเดินเดินห่างยิ้มฟังแล้วก็ไปดูพยายามแบบเดินลองไปเดินดูซิเพราะสมัยก่อนจริงๆเนี่ยในช่วงของวัยเรียนเราจะต้องแบบทุกคนอย่างน้อยต้องมีคอมพิวเตอร์ถูกต้องมีโน้ตบุ๊ก คือโน้ตบุ๊กสมัยนั้นแพงมากเลยนะสองหมื่นสามหมื่นอ่ะโอ้ยหลายตังค์เลยฮะเนี่ยปัจจุบันราคาโทรศัพท์พุ่งสูงตอนนี้ทำได้ทุกอย่างเบาๆหน่อยก็สักเก้าพันนี่ผมเป็นเคสละแบบบางตัวที่เป็นถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็จะมีในตัวที่เป็นสักสองหมื่นหมื่นไปปลายเหมือนต้นๆเนี่ยสองหมื่นแบบไม่นองใช่ไหมก็พอใช้งานได้อะไรเงี้ยแต่บางรุ่นเองเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันใหม่นะผมไปเจอบางรุ่นนะมีสองจอคุณเห็นยัง เออโน้ตบุ๊กใช่ไหมแบบพับอย่างงี้ใช่ปะคือจอหนึ่งที่เป็นจอปกติ อ, าาอีกจอหนึ่งอ่ะมาโชว์อยู่ที่คีย์บอร์ดเออเหรอยังไม่เห็นเลยแปลกดีเพื่ออะไรคือแล้วก็เป็นจอทัชสกรีน อ, อ่าแล้วก็มีฟังก์ชันคุณสามารถใช้สองหน้าจอพร้อมกันเช่นคุณอยากจะฟังเพลงในหน้าจอที่ข้างล่างดึงลงมา ก็สวิตออกมาทัน、oh. ท、enfin mm. ีแล้วก、so、็ทำงานจอบนให้รู้เหมือนโทรศัพท์มีสองสองสองจออย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปถามรายละเอียดอะไรก็ดูแวบๆไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟังก์ชันสำหรับบางคนแบบเอ้ยอาจจะใช้ฟังก์ชันในการเล่นเกมด้วยแล้วก็อยากทำอย่างอื่นด้วยแต่ส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กที่เขาซื้อเนี่ยเขาก็จะเอามาเล่นเกมคอมอะไรเงี้ยที่ส่วนใหญ่เขาเอามาเล่นเกมแล้วแหละเพราะว่าถ้าสมมติเป็นทำงานจริงๆเขาก็มาใช้เนี่ยค่ะที่ออฟฟิศไม่บางบางบางที่เขามีให้แต่บางที่เขาก็ไม่มีก็ แต่บางตัวที่ไปดูก็คือตัวที่เป็นเดสก์ท็อปก็คือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเองเนี่ยบางรุ่นเอาแบบผมดูราคาเบาๆนะเราไปดูราคาเริ่มต้นหูฟังตัวเคสที่มีสามารถเปลี่ยนได้ใช้งานได้ก็ราคาสักผมหมื่นไม่ถึงหมื่นอะไม่ถึงไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นหมื่นหมื่นหมื่นตบหมื่นสองวันหรือหมื่น เอ็ดประมาณนี้เองเห ม, ม, ม, มือนกันต้ น, ตนแล้วก็จอถ้าคุณอยากได้จอแบบเอออยากได้จอดีหน่อยอะไรเงี้ย<า>ก็ประมาณสักห้าพันหกพันเจ็ดพันก็จะจอคุณภาพก็โอเคแล้วไงร<า>วมแล้วก็ไม่ถึงหมื่นในชัฉ้นเนี่ยเอาน็อตบุ๊กไว้ดูซีรีส์ไม่ฟังชั่นคือฟังชั่นพอเราพ้นจากจากการที่ต้องมานั่งทำงานแบบตอนเรียนไงตอนเรียนต้องทำไงจริงจัง ต้องมีสเปกที่แบบสูงนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นมิลเลียน่าซื้อสารพัดชนมันต้องมีตัดต่ออะไรอย่างงี้นสเปกต้องแรงนิดหนึ่งไม่งั้นแบบทำไม่ได้สถักทีนี่ขนาดแบบอุปกรณ์ฟังชั่นในสมัยก่อนแบบกัน ก็พัฒนาตามนะแต่เราก็ไม่ทัน<ช>ตอนนี้คือโปรแกรมเองก็ไปกันไปถึงนู่นแล้วนะฮะไปกันจนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นเนี่ยย้ายไม่อยู่ในโทรศัพท์และ้วคุณอ้าวคุณรู้ฟังนะคะแม้จะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่บางย่างบางครั้งบางครบบามันก็เจออุปสรรคปัญหากันบ้างนะคะบางทีก็ใช้งานก็ หน่วงๆกันบ้าง ม, มีอุปสรรคกันบ้างอย่างเช่นล่าสุดเมื่อช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณฟังเป็นอยังไงกันบ้างฮะ <laughs> โลกโซเชียลมีเดียต้องแบอกว่าต้องลุกเป็นไฟ <laughs> ใช่ตอนแรกที่ฉันไม่ทราบค่ะเพราะว่าดูซีรีส์อยู่ <laughs> สักพักเข้าไปใน <laughs> เข้าไปในทวิตเตอร์แล้วเข้าไปดูเทรนด์เอ้ยวันนี้มีเทรนด์อะไรบ้างนะอ๋อไอจี、IG、ล่มแล้วก็เฟซบุ๊คล่มตามมาติดติดอ๋อน ะ, ะ, น ะ, ะเอาเป็นยังไงบ้าง <laughs> เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยคือยี่สิบแปดพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะพระหัต ที่ผ่านมาเนาะปลายสัปดาห์นะคะก็มีรายงานในเรื่องของเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีที่แบบว่าเข้าไม่ได้หลายคนบอกว่าเอ้โทรศัพท์ฉันเป็นไรหรือว่าอินเทอร์เน็ตฉันคือทุกคนจะด่าเน็ตไปก่อน โดนบล็อกไหมหรือโดนตรวจสอบบัญชีหรือว่าเด็ดขาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือด่าวไว้ก่อนแต่ไปมาๆเขาก็เลยมีการตรวจสอบเขาก็ออกข่าวว่าแบบเฟซบุ๊กกับไอจีล่มนะคะนานกว่าหนึ่งชั่วโมงช่วงเวลาประมาณสามทุ่มยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ไม่ได้แค่ที่ไทยค่ะคุณที่สหรัฐอเมริกาเองนี่เจ้าของเลยนะเจ้าของญี่ปุ่นมาเลเซียแล้วก็ไทยนะคะในแถบนี้แหละแล้วก็ผู้ใช้งานที่พบปัญหาก็คือล็อกอินเข้าบัญชีไม่ได้โพสข้อความไม่ได้ เหมือนแบบเปิดเข้าไปแล้วเป็นหน้าฟีดขาวค่ะคือใช้ใช้งานไม่ได้นะคะรับส่งข้อความในแมสเซนเจอร์ไม่ได้นะคะแล้วก็ในเพจล็อกอินเนี่ยเข้าใช้งานไม่ได้ในเพจเนี่ยเขาจะมีข้อความที่ชี้แจงไว้ว่าเฟซบุ๊กอยู่ระหว่างการปรับปรุงและจะกลับมาใช้งานได้ในไม่นานนี้นะจ๊ะของผมในแอปเนี่ยใช้งานได้คือคือคือฟีดอะพอดูได้แต่มันจะขึ้นไม่หม ด, ดใช่ไหมใช่จะขึ้นไม่หมดแล้วเราต้องการจะเมนท์คนอื่น ก็มีนไม่ได้ก็เดินตึ้งก็คือเข้ามาตกใจก็จะบอกว่าเฟซบุ๊กอยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยรวมแล้วนั่นก็คือตั้งแต่สามทุ่มยี่สิบค่ะมาใช้งานได้ที่ประมาณห้าทุ่มประมาณโดยประมาณโอ้ลุกเป็นไฟหลายคนก็ต้องบอกว่าขยับขยายต้องหาที่อยู่ใหม่ที่ติดเทรนด์ในทวิตเตอร์เพราะว่าเข้าไปอ่านมาแบบว่าทวิตเตอร์ผู้รอดชีวิตทุกคนจะแบบอ้าวแต่ยังดีที่ทวิตเตอร์ไม่ล่มไงที่สุดมาเขาก็ไม่ เขาก็อยู่อยู่、mm. ได้นะ、mm. ก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่คือต้องบอกก่อนว่าเฟซบุ๊กกับไอจี ผู้บริหารเดียวกันนะคะเวลาอาจจะเขาอาจจะแบบอัพอะไรพร้อมๆกันอย่างนี้ไงเขาก็เลยมีผลอย่างแน่นอนนะครับเปลี่ยนแปลงไปดูนะคะผู้รอดชีวิตในวันนั้นตอนนี้เองเขาเปลี่ยนแปลงนะฮะหลังจากที่เราเคยนำเสนอเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อฟังหาทวิตเตอร์เองนะฮะเตรียมที่จะจัดการกับแอคเคาท์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวแอคเคาท์แบบปลอมแอคเคาท์ที่ไม่เก็บกวาดสักทีหนึ่งมีอยากย้ายขึ้นแล้วคือบางทีเนี่ยคนหนึ่งมีประมาณสามแอคเคาท์อะไรอย่างนี้ไม่ ประเด็นความหมายคือมีแต่ไม่เคลื่อนไหวไม่มีการจำรหัสจำรหัสไม่ได้เขาไม่ถูกจำรหัสไม่ได้เออความหมายส่วนหนึ่งคือเมลโดนบล็อกหรือว่าทวิตเตอร์โดนบล็อกคือมันก็จะมีประมาณแบบนี้เกิดขึ้นส่วนประเด็นคือคือจำเมลไม่ได้สองจำพาสเวิร์ดไม่ได้สามคือเมลนั้นเนี่ยที่เคยใช้สมัยก่อนเนี่ยโดนแฮ็กหรือโดนบล็อกไปเราไม่สามารถไปกู้พาสเวิร์ดได้เพราะในก่อนหน้านี้เนี่ย อ่าทวิตเตอร์เองไม่ได้บอกว่าคุณจะยืนยันอะไรบ้างเขาจะมีแค่อีเมลไม่ได้บอกว่ามีเบอร์โทรศัพท์ไหมหรือมีเบอร์สำรองอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไงะมันทำให ต้องสมัคร mail, อะอมิวแอร์ทวิตเตอร์ใหม่เรื่อยๆตอนนี้เขาบอกว่าเอาละ่ะธันวาคมนี้เจอกันนะฮะเขาบอกว่าเออจะเคลียร์ลิงก์หน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะบริษัททวิตเตอร์ได้ส่งอีเมลไปยังเจ้าของแอคเคาท์ต่างๆนะฮะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของแอคเคาท์และไม่ได้ลงชื่อเขาใช้เกินกว่าหกเดือนอว่าแอคเคาท์ของคุณอาจจะถูกลบภายในวันที่สิบเอ็ดธันวาคมนี้นะฮะคุณผู้ฟังตัวทวิตเตอร์ได้ให้เหตุผลว่าต้องการที่จะเคลียร์พื้นที่ในเว็บไซต์เพราะในปัจจุบันมีแอคเคาท์ที่ถูกทิ้ มากเยอะมากนะฮะนอกจากนี้บางแอคเคานต์เองก็เป็นบอทหรือสแปมที่ดูไม่น่าเชื่อถืออีกด้วยเราก็ตามนะฮะทวิตเตอร์เองไม่ได้ทำการลบแอคเคานต์ทั้งหมดออกไปในคราวเดียวนะครับแต่จะทยอยลบออกทีละน้อยแน่นอนว่าในจุดนี้คงไม่ได้กระทบกับคนที่เลิกใช้งานทวิตเตอร์ไปแล้วแต่สำหรับบางคนที่ต้องการจะเก็บข้อมูลเก่าๆของแอคเคานต์เดิมที่เลิกใช้ไปแล้วอาจจะมีปัญหาที่ว่าทางทวิตเตอร์เนี่ยไม่ได้มีข้อมูลเก่าๆของแอคเคานต์เดิมเอาไว้นะฮะ แต่จะลบข้อมูลทั้งหมดทิ้งเลยเ อ, อ๋อก็คือไม่ไ ม, ไม่ไม่สับหร่องข้อมูลให้อะคะ่ะไม่มีเลยนะ<อ>คุณเข้าไปปุ๊บก็ว่างเปล่านะฮะซึ่งหลังจากที่มีการเรียกร้องจากผู้ใช้บริษัทที่ถแถลงว่าอาจจะมีวิธีในการเก็บข้อมูลเก่าๆเอาไว้ด้วยสรุปวิธีการก็คือหากใครยังต้องการใช้ชวิตเตอร์แอคเขาเดิมกันอยู่นะฮ ะ, ฮะหรือไม่อยากให้แอคเขาของคุณหายไปก็ตามนะให้ไปล็อกอินก่อน ล็อกอินไปก่อนอย่างนั้นเดือนละครั้งถ้าสมมติจำพาสเวิร์ดไม่ได้ทำยังไงเปลี่ยนพาสเวิร์ดลองดูนะอย่างน้อยหรือบางทีก็ไปล็อกอินแอคเคาท์เดิมทุกๆหกเดือนก็น่าจะช่วยต่อระยะเวลาให้แอคเคาท์นั้นของคุณได้ใช้งานต่อไปได้ทุกท่านฟังในมือถือตอนนี้ทวิตเตอร์นะในแอปทวิตเตอร์เนี่ยมันล็อกอินได้หลายแอคเคาท์ใช่มันสลับได้นะแต่ก็ต้องระวังนะ ผิดอะค่ะชีวิตผิดชีวิตเปลี่ยนนะของเราหรือเปล่าหรือของใครอะไรเงี้ยบางทีเราบันอัพมินขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบดูไม่ใช่ของเรากดเฟบเนี่ยไม่เท่าไหร่ใช่รีหรือแบบว่ารีプライเอ่อว่าให้ความเห็นโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่คือในโลกออนไลน์จะแบบคือแบบแค่เสี้ยววิค่ะคุณ เขาก็สามารถแคปได้ไวอ่ะเพราะส่วนหนึ่งคือที่ไวเพราะว่าเขาเล่นจากสมาร์ทโฟนการแคปหน้าจอเนี่ยเข้าตลอดเวลาไงบางคนเขาแคปจากวิธีการแบบมีหลายวิธีอ่ะคือผมคือคล้องหน้าจอป๊อกๆได้เลยแคปบางคนแบบว่าปาดหน้าปึ๊บไปบางคนกดปึ๊บตึ๊กตึ๊กได้เลยอ่าแบบเดียวไงคุณคือความหมายคือที่มันโชว์อ่ะถ้าคุณไม่รีเฟซปูบะหน้านั้นมันก็จะไม่หายใช่ใช่แต่ถ้า ถือว่ารีเฟซปุ๊บอ้าวคุณทำอะไรเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บมันก็จะหายไปแต่ถ้าคุณแบบเอ้ยเปิดมาปุ๊บเปิดมาแล้วเจอไงก็แคบเลยเตรียมตัวสักนิดนึงนะทวิตผิดทวิตผิดชีวิตเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาอ้าวนะฮะก็บอกว่าก็ลองดูแล้วกันนะครับค่ะ ไหนไหนพูดถึงในเรื่องของทวิตเตอร์เฟซบุ๊กกันไปแล้วนะคะมาพูดถึงกูเกิลกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นลูกเล่นใหม่เขาบอกจะมาจะเพิ่มให้กับแอนดรอยเท่านั้นนะคะมันชื่อว่า Ambient Mode ค่ะคุณเป็น Google Assistant ผู้ช่วยนี่แหละนะคะที่ทำงานได้ตลอดเวลาบนหน้าจอนในขณะที่อุปกรณ์ในกำลับบงชาร์จแบตอยู่คืออาจจะแบบว่าปกติเนี่ยใช้งานไม่ค่อยดีเวลาชาร์จแบตอะไรเงี้ยนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องแตะอุปกรณ์ โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นข้อความปฏิทินสภาพอากาศต้อนรับนัดหมายอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าตั้งให้ทำงานเป็นกรอบรูปดิจิทัลนะคะเพื่อแสดงรูปในเครื่องของออรูปในเครื่องของท่านก็ได้ทีนี้เนี่ยกูเกิลก็ไม่ได้สร้างให้เป็นบล็อกขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อแนะนำลูกเล่นนี้แต่ว่ามีเพียงวิดีโอที่เป็นยูทูบที่แนะนำเฉยๆเขาก็เลยบอกว่าไอ้ตัวแอมเบรนโหมดเนี่ยจะรองรับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดนะคะโดยจะเริ่มให้อัปเดตสัปดาห์หน้าแล้วก็ รองรับสมาร์ทโฟนที่ใช่แอนดรอยนั่นแหละก็โซนี่นะคะโนเกียเซี่ยเอ่อเซี่ยวเซี่ยวมี่แล้วก็สมาร์ทแท็บ M8 HD ค่ะเลโนโวแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่มีการสนับสนุนแอนดรอย 8.1 ขั้นบ่ายนะคะหรือว่าใหม่กว่านั้นก็ได้เราก็ต้องอัปเดต Google Search นะคะให้เป็นเวอร์ชันสุดท้ายด้วยนั่นเองอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายสำหรับ Google เพราะว่าเขาก็แค่ปรับลูกเล่นใหม่ให้มันใช้สะดวกง่ายขึ้นสำหรับตัวแอซิเดนต์ของ Google นั่นแหละ นะคะอ้าวอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เราพูดถึงยูทูบกันไปยูทูปพิมพ์กันไปนะฮะใช้ยังไงบ้างฮะสนุกไหมลองใช้หรือยังมันใช้กันหรือยังเงินดิฉันยังไม่ลองไม่จ่ายตังค์ผมไม่ไม่ใช่อะจริงไม่ใช่อะเราไปใช้ยังอื่นกันคือฟังไหมก็ก็ฟังแล้วก็ผมก็ชอบฟังยูทูบแล้วก็ไปสวิตช์ขึ้นหน้าจอทีวีก็เปิดทิ้งไว้เงี้ยน่ะ ก็เราก็ไม่ต้องเปิดจากมื อ, เ อ, อถือไงเออแล้วก็เปิดให้ที่ให้ทีวีเพราะมีทีวีมันมีแอป<ะ>แอปยูทูบอีกแล้วก็เขาก็จะไปทำการของเขาคุยโฆษณาไปใช่ <laughs> ไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยคือส่วนหนึ่ง<ป>ที่ดูคือบางทีเราดูรายการแบบย้อนหลังที่เราไม่ได้กลับไปดูหรือบางทีเราดูแบบในทีวีดีด้วยไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่ชัดคือบางกลมันก็ชัดนะแต่แบบหรือแบบเราตั้งค่าไม่ถูกหรือยังไงผมชอบดูย้อนเพราะว่าเลื่อนได้แล้วผมรู้สึกว่ามันชัดกว่าเยอะ แล้วมันได้มิติของของความแบบภาพสมจริงอ่ะถ้าเราดูแบบโอเคแบบบางช่องอ่ะยังเป็นแบบเอสดีบอลเอสดีบอลยังดูบอลไปดูยังไงแต่บางคนบอกว่าบ้านชั้นก็ชัดนะแต่บ้านแต่ของผมคือแบบมันมันจอใหญ่มากคือมันจะมีความต่างค่ะคุณผู้ฟังคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าดูออริจินอลปกติเนาะจากกล่องอะไรเงี้ยมันก็ชัดระดับหนึ่งค่ะตามสภาพเออตามเขาเรียกว่าสถานะของทีวีแต่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ฟังดูในที่เป็นยูทูบแล้ว ตั้งค่าเป็น HD แบบว่าพีกๆมากๆเลยมันชัดแบบชัดเหมือนดูภาพยนตร์นะคะชัดแบบชัดจริงอะชัดจริงๆมันดูแบบว่าชัดมากคือบางรายการเองที่ออกอากาศในในดิจิตอลเองเนี่ยแบบโอ้โหเราดูไม่ชัดเลยแบบดูดูแบบเงาเงาคนผ่านวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยหรือว่าเราแบบผ่านการดูที่อะไรมันชัดๆมามากไงไม่คือความแบบคือจอมันใหญ่คือจอมันใหญ่แล้วแล้วยิ่งยิ่งภาพไม่ชัดมันทำให้เรามันจะเบลออ่าประหลาดแบบนี้คือหรือเราซื้อโทรศัพท์ โทรทัศน์ไม่ถูกรึเปล่าแต่ก็ไม่เกี่ยวนะเขาก็ถูกพัฒนาออกมาเราก็ชอบดูแบบรายการเป็นรายการเนี้ยมากกว่าแต่ผมบอกว่าอ้าวถ้าเป็นอยากฟังเพลงล่ะก็ก็ดิฉันก็ฟังฟังในยูทูบบ้างบ้างแต่พอไปลงในแบบจุ๊กอะไรก็ไปฟังในจุ๊กเพราะว่ามันม、<oh、ันดูซับพอร์ตกว่าไงก็ถ้าแบบดูคลิปวิดีโอดูแบบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเป็นเป็นเอ็มเอ็มวีอะไรก็จะดูตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะผมนึกถึงสมัยก่อนอะไอ้นะไอ้นะ อรายการที่จะมีแบบอ่ะเทีย่ยงนี้ก็จะมีเ <laughs> อ, อ, อ, <laughs> อ็มเอ็มวีไหมล้อค่ะล้อล้อเอ็มวีเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้แบบรายการอย่างเงี้ยก็สีสันแบบก็หายไปผม<ช>ผมว่าน่าจะมีอะไรกลับมาแบบนี้นะสักแบบคือคือห ล, หลายอย่างมันจะกลับมาแบคทูเบสิกคุณเพราะผมผมว่ารู้สึกว่าบางทีมันมันใหม่จนแบบผู้คนตามไม่เจอแล้วก็ถ้ามันมีรายการอย่างเงี้ยกลับมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็ทำดีๆหน่อยก็คืออ่า อัปเดตหน่อยแล้วก็ให้คนเขาได้ติดตามคืออย่างน้อยก็เป็นการโปรโมทให้กับเขาแหละคนจะได้แบบเออมารวมเดี๋ยวดูเลยซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่าเราสามารถแอคทิวิตี้กับกับกับโทรทัศน์ได้คือถ้าเป็นเน็ตฟลิกซ์มันจะมีรายการหนึ่งค่ะคนที่แบบว่าเปิดเป็นซิวิเวอร์อ่าเออแล้วก็แบบคุณจะเลือกซ้ายหรือขวาเอออะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบ เฮ้ยเราต้องแบบเหมือนไปเดินป่า ก, กับเขาแล้วคุณช่วยเลือกคุณช่วยผมเลือกหน่อยสิว่าแบบจะปีนต้นไม้หรือว่าจะลงเดินลงเขาไปดีเอ่อก็เหมือนแบบมีแอคทิวิตี้กันเราก็อยากติดตามอะไรอย่างนี้เลือกผิดเลือกถูกเลือกผิดก็แยกกันไปนะฮะ <c oughs> อ่ะแล้วอ่ามีเวลาไหมส๊อ ห้านาทีห้าไ<ด>นาที<ด>นิดเดีดยวนะฮะอ<ด>้าวช่องเด็กนะฮะที่ยูทูบเองจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ยูทูบเบอร์นะฮะได้ได้ทราบถึงเงื่อนไขของยูทูบออกมาแล้วนะฮะว่าจะต้องมีการผลิต ร, รายการไม่ละเมิดเกี่ยวกับเรื่องของเด็กด้วยเช่นเดียวกันน ะ, ะฮะอ่าเป็นคอนเป็นเรื่องที่เหล่ายูทูบเบอร์เองและก็เหล่าครีเอเตอร์เองนะฮะ อ, อกสันควันหายกันเลยทีเดียวนะครับเพราะอ่าโดยเฉพาะเหล่าครีเอเตอร์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเด็ก ทั้งผู้ใหญ่เป็นผู้สร้างหรือจะมีเด็กเข้ามาร่วมก็ตามต้องหันมาสนใจกฎระเบียบใหม่ที่ทางยูทูบปล่อยออกมาคุณผู้ฟงังซึ่งจะมีผลกระทบในเรื่องของการรับรายได้ในอนาคตก่อนที่จะลงลึกไปถึงขั้นตอนและวิธีการต่างๆที่ทางยูทูบเองออกบ้านแนะนำต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่ากฎหมายนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะฮะ FTC และก็คัปปาคืออะไร FTC คือคณะกรรมการที่การการค้าแห่ง สภานธารัฐของอเมริกาเป็นหน่วยงานที่ออกกฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงกฎหมายไว้ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็กด้วยนะครับเรียกนสั้นๆว่ากฎหมายคอปป้านั่นเองกฎหมายนี้นะฮะร่างมานันตั้งแต่ปี1998หรือประมาณปี2541ถูกนะ2541และประกาศบังคับใช้ในปี2000นะฮะและมีการปรับปรุงมาโดยตลอดสาระสำคัญของกฎหมายนี้คุณฟัง คือการป้องกันการนำข้อมูลของเด็กและเยาวชนที่อายุไม่ถึงสิบสามปีเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตโดยไปถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่อายุต่ำกว่าสิบสามปีซึ่งถ้ามีการเรียกจัดเก็บข้อมูลต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนถึงจะสามารถจัดเก็บได้ในแง่สำคัญของกฎหมายนี้คือป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนถูกหลอกหรือเอาเปรียบจากเว็บไซต์หรือบริการต่างๆในโลกออนไลน์ในเชิงพาณิชย์นั่นเองแน่นอนว่ากฎหมายนี้มันออกมามันก็ลามมาถึงผู้ให้บริการต่างๆ แน่นอนว่าสิ่ง <Okay. S 2> ที่เจออย่างกว้างขวาง YouTube นั่นเองคือหลายคนบอกว่า เ, อยเกี่ยวแล้วก็เล่าหรอคือเป็นรวมถึงไทยด้วยนะครับะคณเพราะว่าบางคนก็ทำอะไรกันคอนเทนต์บางคนบอกเอยมีรูปรวนหลานหลานมีความสามารถ ไปออกรายการดูรายการในยูท kind of. ูบซีอะไรนี้มีม、ah>、ีนะผมมีรายการแบบเทรนของเด็กไทยเนี่ยรายการเด็กที่แบบทำเขาก็แบบน่าน่ารักดีแต่บางทีก็ต้องมาดูกันถ้าครีเอเตอร์และยูทูบเบอร์เองเนี่ยได้รับผลกระทบจะเจออะไรกันบ้างอาคุณบอกซีสำหรับเนื้อหาในยูทูบทุกครั้งเนี่ยค่ะจะถูกมองว่าเอื้อให้กับเด็กเข้ามารับชมหรือเปล่าคือมันเป็นรายการเด็กจริงจริงหรือเปล่าคือเขาจะให ให้เวลาเขาจะลงลงคลิปเนาะอันนี้อาจจะเป็นในเชิงค้านิดหรือการค้าที่มันจะมีมากกว่านั้นอาจจะแบบว่ากำหนดเลทอ่อากำหนดเป็นเอาสิบสามสิบสามปีต่ำกว่าสิบสามปีซึ่งจริงๆแล้วคอนเทนต์เนี่ยมันมันอาจจะไม่ต่ำกว่าสิบสามปีก็ได้ไงครับคือกลายเป็นว่าเอ่อคอนเทนต์เนี่ยเอ่อมันก็กลายเป็นไม่ไม่ถูก เขาเรียกว่าอะไรนะเลดเขาใช่ไหมนะคะอันนี้อาจจะกระทบกับครีเอเตอร์นะคะแล้วก็ยูทูบเบอร์ทั้งวงการเลยก็ได้นะคะกรณีที่เป็นคอนเทนต์เฉพาะทางอย่างเช่นเกมคุณเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีแบบว่าแคชเกมให้ดูแลใช้คำที่แบบรุนแรงนิดหน่อยอ่าใช่ใช่ใช่เด็กเล่นเกมใช่ไหมคือมันอาจจะมีแบบว่าในกฎหมายตรงนี้ครอบคลุมว่าเด็กต่ำกว่าสิบสามเนี่ยไม่ไม่สามารถดูได้ ประมาณนี้นะคะหรือเป็นคอนเทนต์ทั่วๆไปนะคะอาจจะได้รับรับชมได้บ้างแต่ว่าที่ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆและจะเป็นคอนเทนต์ที่ทำขึ้นมาเพื่อเด็กโดยตรงโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บอกไปรีวิวของเล่นค่ะคุณการเล่นของเล่นบทบาทสมมติของเด็กรวมไปถึงการ์ตูนที่สร้างขึ้นมาใหม่อาจจะถูกเหมารวมไปด้วยถ้ามองแยกเป็นรายกรณีไปเนี่ยคือกรณีที่ยูทูบบางชแนลเนี่ยคอนเทนต์ในเชิงที่แบบโรเปลละครบทบาทสมมติโดยให้เด็ก รับบทบาทแสดงในคลิปต์เนี่ยตัวละครหลักเป็นเด็ก ดำเนินเรื่องในกรณีนี้เนี่ยอาจจะขาดต่อกฎระเบียบของทางยูทูบด้วยนะคะท้ายที่สุดในเรื่องเราวเหล่านี้เนี่ยอาจจะแบบไม่เกิดขึ้นถ้ายูทูบเลือกที่จะไม่ปิดบังแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของทาง FTC โดยตรงถึงจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานหรือว่าเขาจะมีคุกกี้จากผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าสิบสามปีนะคะจนนำไปสู่การสั่งปรับได้ถ้าคุณไม่ทำตามกฎหมายของเขาแล้วก็กลายเป็นครีเอเตอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์เนี่ย ก็ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่เหมือนกันเพราะว่าทำเนื้อหาของเด็กเข้ามาสู่สาธารณะก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีความรพับผิดชอบต่อสาธารณะนิดนึนนงในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลสำหรับเด็กๆค <c oughs> ่ะอืมอ้าวก็เป็นเรื่องราวที่มีผลนะกับคนที่เป็นยูทูบเบอร์เองนะฮะก็เป็นผลู้นา ก, การแต่คนเนี้ยบอกว่าอ้าวถ้าไม่ได้ผลิตเกี่ยวกับเด็กคุณก็ต้องติคือว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับเด็กสิ่งที่ตามมานั้นคือเรื่องของการผลิต คอนเทนต์ต่างๆนะฮะที่จะเกิดขึ้นว่าถ้ามันเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปอยู่กับเด็กไงกลุ่มการตลาดเองมันก็จะเกิดขึ้นตามมาว่าเออเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีโฆษณาข้าวผลิตภัณฑ์ต่างๆบริการจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยกันเป็นในส่วนของกฎหมายใหม่ที่ทางยูทูบเขาก็เคร่งครัดอยู่พอสมควรนะคะน่าจะเริ่มที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะคะแล้วก็ตามไปที่ประเทศอื่นๆต่อไป เริ่มกันมาอย่างพอสมควรแล้วนะครับอ้าวนี่คือทั้งหมดของไมค์คอมพิวเตอร์สัปดาห์นี้นะฮะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะฮะเรื่องราวขา่าวสารต่างๆนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยว เอาสำหรับหน้าหน่อยนึงแล้วกันนะเผื่อ <c oughs> คนอาจจะเดินทางไปต่างประเทศ <c oughs> นี่คุณฤทธิศรเพิ่งกลับมานะฮะเดี๋ย <c oughs> วเอามาอัปเดตเดี๋ยวให้คุณฤทธิศรบอกว่าพักผ่อนก่อน <c oughs> รวบรวมไประเด็นข้อมูลตัวเองก่อนว่าไปเจออะไรบ้างไอทีนู่นเป็นอย่างไร <c oughs> แล้วก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านของไอทีด้วยนะ <c oughs> ทีมงานของเรานี่แหละคุณอาทิตยาคุณฤทธิศรไปด้วยกันแล้วก็ไปเจอปัญหาแบบโอ้ยหลายอย่างนะฮะแล้วจะเจอปัญหาเคสที่นู่นจะจัดการอย่างไรกันบ้างรักษาสิทธิ์กันหน่อยนะฮะเรื่องของแบบ โลกโซเชียลแบบหรือไอทีคือขายไม่ได้ไงต้องเล่นอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแต่แบบว่าไปปุ๊บโอ้ทำงานไม่ได้ช็อกเลยแก้ปัญหา ย, ยัางไงาเดือนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาสารุปให้ฟังนะฮะไมค์คอมพิวเตอร์วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะราศาต ร, ตรักุณเง็กพร้อมด้วยคุณปีพงษ์เคนทวายค่ะต้องลาไปแล้วสัปดาห์หน้าติดตามอัพเดทเรื่องราวของเทคโนโลยีกันได้ในเรื่องราวของไมค์คอมพิวเตอร์ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ウィテューラチマンコンタンヤブリエフェム、バスガジュハーメガハース、テクノリエคุณภาพชีวิต